ข้าวฟ้างลูกเดือยยญากับแก่คำว่าออกปากขอคือออกปากขอเองคำว่าใช้ให้ออกปากขอคือใช้ผู้อื่นให้ออกปากขอคำว่าคั่วคือคั่วเองคำว่าใช้ให้คั่วคือใช้ผู้อื่นให้คั่วคำว่าต่ำคือต่ำเองคำว่าใช้ให้ต่ำคือใช้ผู้อื่นให้ต่ำคำว่าหุงคือหุงเอง คำว่าใช้ให้หงคือใช้ผู้อื่นให้หงพิกษุณีรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอบัตทุกกฎฉันต้องอบัตปลาจิ ต, ตีทุกทุกคำกลืน